วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวรรนะนะเป็นวันที่เราจะได้ฟังธรรมะนะมาทำบุญนะฟังธรรมะในเบื้องต้นในสมัยพุทธกาลก็ยังไม่ได้กำหนดนะว่อวันพระจะมีการมารวมกันของผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ในศาสนาอื่นก็เริ่มมีขึ้นมาเหมือนกัน พระเจ้าจึงวางหลักว่าวันขึ้น8ขดค่ำแลม8ขดค่ำหรือว่าขึ้น15ข้า่ำแลม14ขส่ำเนี่ยตามทางจันทรกติก็ให้มารวมกันฟังธรรมซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้วันหยุดเราก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยในวันนักตะลิกแต่ในวันพระก็ยังคงรักษาไว้อยู่ยังรักษาประเพณีเดิมไว้ มีเวลาว่างเรามีโอกาสนะบางครั้งเราอาจจะได้หยุดก็ได้มานะเรียนรู้ธรรมะหรือได้มาฟังธรรมะนะศึกษาพระธรรมซึ่งเรื่องของพระธรรมนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันกันกบในชีวิตของเรานะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานั่นเองเราเกิดขึ้นมาเราเจิินไว้ขึ้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะทงนั้น แต่ว่าเราอาจจะได้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เรียนรู้นะหรือว่ายังไม่ได้สนใจถ้าเราสนใจแล้วธรรมะ ก, ก็เรื่องของเราเรื่องของกายเราจิตเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนก็ไม่ได้สอนออกไปนอกกายนอกใจนั่นเรื่องของกายของใจเหล่านี้ว่าเราจะทำอย่างไรนะชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ย เราจะได้มีความสุขนะสมควรแก่การที่เราได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าใจเนี่ยนะถ้าใจนี้ไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะคนเราก็เอาสิ่งข้างนอกเป็นที่พึ่งก็คิดว่าจะทำให้ใจของเรามีความสุขหรือความสงบได้ตลอดไปนะแท้ที่จริงก็ไม่ได้เนะมื่อพวกเราเนี่ยมี พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งหรือเป็นสารณะที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีที่พึ่งนะที่เรียกว่าเป็นลัตตนาอันประเสริฐแล้วเมื่อเรานะเมื่อเรานี่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็จะต้องระลึกถึงในนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เสก่อนสมมตอว่าเราได้ลาบมาได้เงินได้ทองมามาก ก็คิดละเลึกไปอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเกิดจากคุณงามความดีที่เราได้เคยทำมาแล้วเมื่อผลบุญให้ผลก็เราก็ได้รับความสุขอย่างนี้แต่ในบางครั้งมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะของรามยศเสนสุขอันเป็นฝ่ายอิทธรลมเราจะเจออานิทธหมเป็นารมณ์ที่เราไม่พอใจ ไม่ปฎถนาแต่เมื่อเราเกิดขึ้นในโลกเราก็ได้รับเราก็ต้องพิจารณาเป็นธรรมะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้นะเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นโลกเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นธรรมะนะมองพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เป็นธรรมะ คนชมเราก็มองเป็นธรรมะคนเข้านินทาเราก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่านะจริงก็แก้ไขปรับปรุงเป็นผู้ที่มาบอกเราอีกนะเราก็พิจนารณาให้เป็นธรรมะเพราะอะไรที่เกิดขึ้นมาเรารับรู้ขึ้นมาก็พิจารณาเป็นธรรมะทช่นนั้นใจของเราจะได้ปล่อยวางในอารมณ์ในความรู้สึกนะตามตัวจิตของเรา พระพุทธเจ้าก็สอนมาผู้ใดาตามรักษาจิตของตอนผู้นั้นก็จะอ้มจะพ้นจากบุงของมา น, มนเมเยจิตตังปรเมสันติโมกขันติมารพันธนานั่นะเรามีใจหรือมีธาตุรู้ตัวเนี้ยธนะาตุรู้นี้เนี่ยนะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ไดนะ้เขาจะรับรู้อารมณ์เมื่อมีตาดีหูดีมีรูปมีเสียงมีแสงนะ ที่จะนําเข้าไปสู่ใจแล้วสู่าธาตรู้นี่แล้วถ้ารู้เขาก็รับรู้ว่านี่คืออะไรนะได้ยินได้รับรู้แต่เมื่อรับรู้แล้วนี่ตัวอวิชชาทันหัวประธานที่ครอบงำจิตมานานเนี่ยนะก็จะแปรนะแปรจิตของเราเให้เกิดความยึดความถือเกิดตั ว, เ ก, ตวเกิดตนขึ้นมา ยิ่งรับรู้มากขึ้นก็มีแต่รับตัวรับตนมากขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะวิชาแตนอาบทานเนี่ยนะเขาครอบงำจิตเราอย่างนี้เมื่อรับรู้แล้วมีความสุขก็อยากจะได้มากๆขึ้นแม้ความสุขนั้นหมดไปเมื่อรับรู้แล้วเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ชอบก็อยากจะให้พ้นไปจากสิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะเราเกิดขึ้นมมาหลายชาติก็เป็นอย่างนี้ กิขึ้นมาชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วธาตุรู้ที่ปานี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะก็เป็นธาตุรู้ขึ้นมาอย่างเนี้รับรู้อารมณ์แล้วกิเลสเกิดขึ้นม า, มาอเมื่อไรเราก็ไม่รู้ได้แล้ะมันนานแล้วนะแต่เรามาสังเกตอยู่ว่าอยู่ในปัจจุบันนี้นาเรานั่งเฉยๆอย่างเนี้ยมีคนมาว่าเราเนี้เราก็รับรู้เดี๋ยวนี้ นั่นพูดเดี๋ยวนี้จิตก็เป็นสุขเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ถ้าเขาว่าเราก็เป็นทุกข์เข้ามาเสอะเสอะเราเราชอบใจก็เป็นสุขเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้เองเห็นไหมปัจจุบันนี้เมื่อความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะถ้าเราไม่มีสติที่จะคอยตามรักษาจิตของเราแหละจิตของเราก็จะวิ่งไปกับอารมณ์นะม่แควกับอารมณ์เสมอหรือว่าตามอารมณ์นั่นไป จนหมดอารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปนะจิตก็กลับมาประพัฒสอนใหม่แต่ว่าอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็วิ่งไปอีกอย่างนี้เรื่อยไปนะความประพัฒสอนของจิตเนี่ยมันก็เลยเหลือน้อยนะมีอยู่แต่ว่ามันเหลือน้อยจนเรามองไม่เห็นเนะ่ยนะมองไม่เห็นนะเมื่ออารมณ์มันดับไปจิตก็ประพัฒสอนเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเมื่ออารมณ์มาเกิดขึ้นอีก อารมณ์มันเกิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเราจึงไม่เห็นความว่างของจิตที่มีอยู่การที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะนะําจิตของเราเนี่ฝึกจิตของเราให้กลับไปสู่ความว่างเหมือนเดิมนับจิตต่งางวัฏสงังให้กลับไปสู่ความว่างถ้าเราฝึกจิตให้ไปสู่ความว่างได้เราจะเห็นความเบานะความสบายสบายกายสบายใจเบาใจแล้ว เราก็ต้องมาฝึ ก, กจิตของเราโดยการพิจารณาให้ไปจิตของเราสู่ความสงบก็ได้นันเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งอบรมจิตให้เกิดสมาธิโดยการพิจารณาเช่นพิจารณาในก้อนกายนี้ว่าเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมเนี่ยสอย่างประชุมรวมกันนะ ให้เป็นสัญญาอารมณ์ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเนี่ยเป็นปัญญาเป็นสัญญาก่อนแล้วจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็เอาจิตสงบนี่แหละนะจิตจะถอยจากความสงบอาจจะสงบขึ้นมามีข น, น, นุกขนชันขนพองสยองก้าวกายเบากายใหญ่กายขายายได้นี่เดียวว่าเป็นสมาธิเป็นคณิกาสมาธิ ทำมากๆขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นมาเดี๋ถ้าจิตเราเป็นหนึ่งได้ก็จะเป็นอัปปนาสมาธิโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคติกะสมาธินะมีคนปองสยองก้าขึ้นมาอิ่มใจนีกว่าปีติเกิดขึ้นมาไม่ใช่มีอาการผิดปกติอะไรในการปฏิบัติถ้าจิตของเราสงบก็จะมีอาการแบบนี้แหละนี่ว่าปีติ เกิดขึ้นมาจิตก็สงบขึ้นมีความอิ่มใจบางทีเราทำบุญทำทานก็เกิดบางทีเราสวดมนต์ภาวนาก็เกิดนะสวดมนต์อยู่เมืองไทยหรือเราไปที่เรามีศรัทธามากๆในประเทศไทยหรือในประเทศอินเดียเราศรัทธาเราสวดมนต์เราก็อิ่มใจหรือไปสถานีพระเจ้าพร ะ, พระนธิพา น, น้ำตาเราก็ไหลอิ่มอกอิ่มใจนี่ก็เรียกว่า นะสมาธิเราเกิดขึ้นมาแล้วนะสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นตัางค้าวิมุตตจิตเราหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามโชคข่าวยึดถือแบบให้เกิดทุกข์กันนะแต่เราก็ยึดถื อ, อกันแต่ยึดถือเป็นอารมณ์กรรมฐานอันนี้เรียกเป็ น, ปนฝ่ายกุศลจิตก็อิ่มใจสบายใจเบิกบานใจขึ้นมาเนี่เป็นสมาธิเกิดขึ้นมา ถ้าสมาธินี้เกิดขึ้นได้ บ, บ่อยๆนะก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้นิ่วอนที่เรียกว่านิ่วอนการกั้นคุณงามความดีการมาฉันทะประโยชน์ทินมิทะอุทจักกุกุจจะมิจิกิจฉาเนี่ยจะกางกั้นจิตของเราไว้เสมอเล ย, เยทําให้จิตของเราไม่พบกับความดีนะเราต้องการความดีเราต้องการความสุขที่แท้จริง แต่กิเลสพวกนี้มันจะมากั้นไว้นี่เมื่อเรามาฝึกอบรมทําสมาธิภาวนาบุญก็เกิดขึ้นจากการให้ทานจากการสมาทานศีลจากการฟังธรรมนี่บุญเกิดแลเมื่อบุญเกิดขึ้นมาเราจะรู้เราอิ่มใจยังไงสุขใจ ย, ยังไงเบิกบานใจยังไงจากการสวดมนต์จากการถวายทานนะจากการน้อมระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรมมฐาน ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสมถกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเราก็สมมุติเรียกกันว่าสมถกรรมฐานนะแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นธรรมะเขาบอกว่าจะต้องมีปัญญาเป็นวิปัสนากรรมฐานนะอันนี้เราจะไปแยกกันออกเลยนะท่านปุชาบอกว่าเรายกเมฆขึ้นมาด้ามหนึ่งมีด้ามมีปลายมีสันมีคม นะเราลองพิจารณาดูจริงไหมเออสมถะกรบมัฐานเนี่ยเมื่อเราฝึกได้ดีแล้วเนี่ยก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้นะกิเลสมันถอยห่างไปเรียกวิขัมภนะวิมุตต์หลุดพ้นได้จากว่าการข่มเอาไว้ก่อนนะเมื่อข่มได้นานๆานกิเลสเกิดไม่ได้แต่เรายังวางใจไม่ได้นะเมื่อกิเลสมันไม่เกิดแล้วหินทับย่าวนานๆยา่ามไม่เกิดเราก็หินขึ้นมาอีกยา่ามจะเกิด มสมถะกรรมฐานมีอณนดีสออย่างนี้ครั้นี้เมตใจของเรามีความสงบดีมีกำลังก็ไม่คิดฟุ้งซ่านเราก็จะต้องเอาจิตมาพิจารณาินะมาร่างกายนี่มันเที่ยงไหมมันแปรเปลี่ยนไปไหมเมอจิตของเราเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่ยินดีไม่ยิน้ายเพราะมีกำลังสมาธิแล้วแล้วก็พิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นะของสิ่งภายนอกของรูปภายนอกก็เป็นรูปวัตถุภายนอกก่อนรูปวัตถุภายนอกเคล็ดสลาธรรมาตคติวิหารตึกรามบ้านช่องภูเขาแม่น้ำนะมันรวมกันเข้ามาเรียกว่าสังขารมันรวมกันเข้ามาแล้วว่าหนึ่งก็แตกสลายไปเนี่ยมันจะหาตัวตนได้ไหมหาความเที่ยงไหมทนอยู่ได้ไหม หาความเป็นตัวตนใครจะบังคับได้ในที่สุดแตกสลายไปหาความเป็นตัวตนไม่ได้เป็นอนัตตาจิตที่สงบดีนี่แหละนะเราพิจารณาแล้วจะเห็นหรือเราฟังทำด้วยพิจารณาตามไปด้วยบางทีจะเห็นชัดนะเหนือธรรมาก็เร่าย้อนนิดนึงก่อนอรรมาจะบวชนี่แหละนะก่อนหน้านั้นก็สนใจปฏิบัติเหมือนกับญาติโยมนี่แหละมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ภาวนา พอเห็นโทษเห็นภยนัยเนี่ยวต่าสองสารว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายไปแล้วเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้จต่บุญกับบาบนี้ไปได้ก็พยายามทําบุญทาบุญสนถวายทานมาบรรพาก็สมทานสิบ8ต่อมาก็สมทานสิบแปตลอดนะแล้วก็ภาวนาด้วยเออมาภาวนาไปแล้วได้ฟังธรรมะนี่อาจารย์ทันยกธรรมะที่หลวงปู่ชาตินี่เคยเทศให้ฟังว่า เรื่องของสมมุติเราว่าโรคนี้เนี่ยวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยกระติกน้ําใบหนึง่งนะสูงสัก ừ, ห้านิ้วกระติกนี้ถ้ามันมีอีกใบหนึง่งสูง8นิ้วใบไหนมันเล็กกว่ากันใบไหนมันใหญ่กว่ากันเราก็บอกว่าตามสมมุตินะเรายังไม่รู้สมมุติแล้วก็บอกว่าใบที่5นิ้วเนี่ยมันเล็กกว่าเราก็ว่าเล็กจริงๆ ใบแปนิ้วนี่มันใหญ่กว่าถ้านะถ้ามีกระติกอีกใว้นึงมันสิบนิ้วนะไอที่เมื่อกี้เราว่าใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะเทียบกับสินิ้วแล้วมันก็เล็กกว่าเออไอที่ว่ามันใหญ่กว่าเล็กกว่านี้นะหรือว่ากระติกนี้มันเป็นสมมุติขึ้นมาแท้จริงมันไม่มีท่าพนพู้ไปเรื่องอนนาตานะจิตของอัตมาก็พิจารณาอยู่ตอนนั้นนก็สงบสง บ, สงบแล้วตั้งใจฟัง ตั้งใจฟังพิจารณาแพปเกิดความรู้ขึ้นมานะเกิดความรู้ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนะอ่ะโอ้มันไม่มีมันว่างนะมันว่างเท่านั้นเองนะจิตมันก็เปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมนะเห็นสภาวะสล า, าทั้งหลังนะ่ะมันกําลังเกิดดับอยู่กําลังเสื่อมอยู่เห็นธรรมะกําลังเสื่อมอยู่มันก็จําติดตาเลยทุกวันนี้เราไม่ลืมนะนะ มองไปต้นไม้ผูเขาทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับั้งนั้นเลยมองทั้งโลกนั้นโอ้มันเป็นโลกแห่งความเกิดดับทั้งนันน่ะนะทั้งนั้นเลยมันจะไม่มีตัวเราของเราเอาเลยเยออเราจะยึดอะไรไปได้นะตรงนี้ปิติความอิ่มใจมันก็มากความสุขใจมันก็มากเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเออเป็นธงคาทั้งโลกเนี่ยนะทั้งหมดเลย แล้วก็เราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าเลไไม่มีคุณค่าราคาอะไรแลยวเป็นสิ่งภายนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันไม่เป็นของที่กีรังยั่งยืนเนี่ยนะจิตมันจะเห็นได้อย่างนี้แนละ้วนะความอิ่มใจปิติใจมันเกิดได้หลายวันเป็นอยู่ในหลายวันนะทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละ เ, ออเกิดได้อิ่มใจไปตลอดนั่นะเรียกว่าปิติในธรรมะ ที่เราเห็นความเป็นจริงนะของวัถตถุทั้งหลายในโลกนี่เป็นอย่างนี้นะห า, าความจริงดังยั่งยืนไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละว่าในะรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยทั้งภายนอกภายในไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรวมที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รวมที้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรจะยึดบัดเราเป็นของเราไหมก็มไม่ควรจะยึดถือในพระพุทธเจ้าถามพระปัญญวาาคี เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาณนะในที่สุดพระจะพระปัญจวัคคีทั้ง5้าก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ฟังในอรตะรักนัสสุดก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในพวกเรานี่นะมีโอกาสดีมากได้ฟังธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจรารณาเออ ทั้งโลกโลกนี้โลกวัตถุเกิดขึ้นมาแล้วกระดับไปทั้งนั้นเป็นธรรมดาเราจะเอาความเป็นตัวตนเราของเราที่ไหนเราจะมีมากเราก็เอาไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเสื่อมไปทุกปีทุกเดือนทุกวันเป็นสมมุติจิตของเราเนี่ยที่ปฏิจจของเราเนี่ยนภูดิรับรู้อารมณ์มันยังหลงสมมุติอยู่มันหลงโลกนี้อยู่เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยมาหลงแล้วนะเพิ่งมานี่แหละมาเกิดในโลกนี้ ก็ไม่ยึดเอาธาตุในโลกนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานั้นแหละแท้ที่จริงแล้วมันจะไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างนี้นะเราต้องจากไปนะเห็นไหมอารมณ์ที่เป็นสุขเราเคยได้รับแล้วมันก็ไม่อยู่ตลอดบางครั้งเป็นทุกข์ก็มาอยู่ตลอดเราก็พิจารณาเดี๋ยวมันไม่เที่ยงอย่งนะั้นแหละอะไรเกิดขึ้นมารับรู้ขึ้นมาแล้วก็สอนใจของเราว่ามไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใฉ่ตัวตนเราก็จะไม่หลงติดในสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่า นะที่เราหลงติดกันเนี่ยเพราะว่าสุขเนี่ยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยบอกว่ามันมีอิทธิพลมากทีเดียวเนี่ยนะมันมีกำลังมากเขาเปรียบเทียบว่ามากกว่าพวกโคเคนอะไรพวกนี้ถึง200ก้อยกาอเท่าคิดดูดินะใจของเราถึงมันถึงติดกันมานานในพบภพหลายชาติกันขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาต้องละมันโดยยังไงเรามีศินห้า เราชอบมากก็ตามแต่เรารักษาไว้อดทนไว้มันพระเราก็มีศินแปดอีกเราตั้งใจแล้วเรามีศินห้ามาแล้ว6วันในวันหยุดมันพระวันวันลรหยุดเราก็รักษาศิน8สัก1วันเนี่ยนะรักษาศิน8ปสินอุโบสถสัก1วันเดียว เ, ยวเนี่ยนะดูจิตของเราฝึกจิตของเรานะฝึกจิตของเราทำมีความเข้มแข็งขึ้นนะเราก็ตั้งใจ นะเราอยู่ในชีวิตในโลกคารวะก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเราก็มีศีลมีธรรมปฏิบัติยิ่งมีสามีภรรยาก็ให้ปฏิบัติไปพร้อมกันนี่เราก็จะมีความสุขนะแบ่งปันแบ่งเวลาอันนี้สําหรับธรรมะเอออันนี้สําหรับที่เราจะอยู่ในครอบครัวอย่างนี้ชีวิตของเราที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็จะมีความสุขขึ้นไปการพัฒนาจิตเรากลับพัฒนาในปัจจุบันรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี่แหละมีโลภไหมมีโกรธไหมมีหลงไหม จิตของเราก็จะพระน์สอนเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีปัญญาเป็นวิปัสนาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นหรือว่าเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายวัตถุสิ่งของภายนอกสักแต่ว่าวัตถุเป็นสมมุติทางนั้นเราก็เห็นอย่างเนี้ยเห็นกายนี้ก็เหมือนกันก็สักแต่ว่ากายอย่างนี้เราก็เห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นนะนะไม่แน่เราจะเกิดขึ้นตอนไหนเราพยายามบม่มอบรมบาร ม, ร ม, รมีของเราไว้ จะอยู่ในประเทศไทยเราด้ชาวต่างประเทศประเทศสิงคโปร์ก็มาปฏิบัติกันนี่แหละนะศึกษาเดินทางมาหลายชั่วโมงมาปฏิบัติธรรมตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็มีกันมาในหลายคณะทั้งไหนประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ให้ตั้งใจนะฝึกจิตของเราจนรู้จนเห็นนะจนสามารถปล่อยวางได้นั่นแหละพลจากสมมติมิมุติเห็นกายนี้ชัดแจ้งจิตรวมเข้ามา เห็นกายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนละอุปทานได้ปล่อยวางในรูปในนามในสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมีแต่ความเกิดดับเกิดดับจิตเราตามรู้เท่าทั น, นไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็จะพาพัสอนได้อย่างถาวรหรือว่าสเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นแหละนะให้เราตั้งกิจตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติกันในวันนี้ก็เป็นวันพระในวันศีลนะพวกเราได้เคยฝึกหัดปฏิบัติกันมาแล้ว ก็ขอให้ตั้งกิจตั้งใจและก็เจริญในธรรมทั่วกั น, ท, ท, กน ท, กทุกท่านเถิน